นททานทขนมปังทองคํากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีญิ้งสาวคนหนึ่งชื่อแมรี่แอนเธออาศัยอยู่กับลูกสาวคนเดียวของเธอนาซิซ่าแมรีแอนสุภาพและอ่หวานเป็นอย่างมากในขณะที่นาซิซ่าแตกต่างจากเธอสิ้นเชิงอย่างที่คุณเห็นเธองดงามเกินกว่าจะบรรยายเธอเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตและส่วนที่อภิรม์ที่สุดคือ เธอรักตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดนาซีซ่ลูกอยากช่วยแม่อบขนมปังไหมจ๊ะฮะไม่มีวันค่ะแม่หนูไม่ยอมให้แป้งมาบดบังดวงตาที่สดใสของหนูอย่างแน่นอนนาซีซ่ลูกช่วยแม่ปลูกต้นไม้พวกนี้ได้ไหมอะไรนะทำไมแม่อยากให้หนูทำอะไรแบบนี้ล่ะถ้าหากว่าเมืองสวยๆของหนูเปิ้งขึ้นมาล่ะยว แล้วถ้ายิ่งมันเกิดเพื่อนหน้าของหนูล่ะเอ้ยนั่นละ่ะคือปัญหาของนาซิซาเธอคิดว่าตัวเองดีเลิศเกินกว่าที่จะไปทํางานใดๆชายหลายคนต่างเข้ามาขอนาซิซาเพื่อแต่งงานเพราะความงดงามของเธอเป็นที่รู้จักกว้างขวางแต่เธอก็ปฏิเสธพวกเขาอย่างหยาบคายทําไมลูกไม่ชอบคนที่มาเมื่อวานนี้แหละจ๊ะ พวกเขาดูเป็นคนดีออกเอาจริงเป็นเนี่ยแม่มีคนหนึ่งตาเล็กอย่งกับตานกแล้วอีกคนก็จะหมูกบานเป็นกระด้งขนาดนั้นดูไม่อยากคิดสภาพตอนที่เขาจามออกมาหรอกนะคะอีแล้วอีกคนเนี่ยยังกับแบบว่าหยุดพอได้แล้วแม่ไม่อยากฟังแล้วแม่คิดว่าพวกเขาก็ดูเป็นคนดีนะลูกลูกรัก ลูกต้องรู้เอาไว้นะว่าความสวยงามไม่ใช่ทุกอย่างแม่คะแม่ก็ต้องรู้เอาไว้เหมือนกันว่าหนูน่ะเหมาะ ก, กับเจ้าชายหรือไม่ก็อัศาบินเท่านั้นโอ้ลูกรักในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนอนหลับแม่ของเธอนั่งอยู่ข้างๆและมองเธอลูกรักของแม่ลูกช่างน่ารักและงดงามยิ่งนักแต่ลูกไม่สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากความงามของตัวเองในตอนนั้นเอง นาซิซาเริ่มหัวเราะออกมาขณะเธอหลับแม่ของเธอประหลาดใจมากดีจังเลยลูกคงกำลังฝันดีอยู่สินะเจ๊ะเช้าวันต่อมาเมื่อนาซิซาตื่นขึ้นเธอยิ้มและหัวเราะคิดคักเป็นยังไงบ้างจ้ะลูกรักไหนบอกแม่มาซิว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไรโอแม่คะหนูฝันดีมากๆเลยคะ่ะแม่รู้ไหม ในฝันมีเจ้าชายเข้ามาขอหนูแต่งงานด้วยล่ะเขานั่งรถมาทองคบมาค่ะแล้วเขายังแต่งกายด้วยชุดทองคำทั้งตัวแต่งแต่หัวจะรดเท้าเลยละค่ะแม่ค่ะเหมือนก็แค่ฝันใช่ไหมล่ะลูกแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะแม่ตอนที่หนูอยู่ในชุดแต่งงานที่ทำจากทองคำทุกทุกคนจ้องมาที่หนูหมดเลยละค่ะแม่ค่ะนาซีซ่า ฝันนั่นไม่มีอะไรวิเศษหรอกนะลูกมันก็เป็นแค่ฝันลมๆแรงๆเท่านั้นเอ้ยแม่แม่ไม่รู้หรอกนะว่าพูดอะไรออกมาฝันนั่นทำให้หนูอยากกินอาหารหรูๆมากกว่าอาหารที่หนูกินอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกมันเป็นขนมปังที่ทำจากทองคำเลยนะแม่ลองคิดดูสิแม่ที่น่าสงสารของนาซิซ่าเป็นห่วงลูกสาวเงอมา เธอไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเธอจะใช้ชีวิตยังไงในวันนั้นเพื่อนทั้งสองของแม่นาซิซ่าได้มาเยี่ยมเธอพวกเขาคือเมลลี่และเทรลลี่ทั้งสามเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่เทรลลี่และเมลลี่ทั้งคู่ต่างมีความลับอยู่พวกเขาเป็นคนวิเศษและแม่ของนาซิซ่าไม่รู้เรื่องนี้เลยเธรีเมลลี่โอ้ดีใจจังที่เห็นพวกเธออีกครั้งไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะ นานมากเลยค่ะคุณเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีจ้าแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากว่าถ้าอะไรอย่างนั้นเหรอหถ้าลูกสาวคนเดียวของฉันนาซิซาเข้าใจอะไรมากกว่านี้สักหน่อยนึงแมรี่แอนบอกเมลลี่และเทลลี่ทุกอย่างเกี่ยวกับนาซิซาและบอกอีกว่าเธอกังวลกับลูกของเธอเพียงใดเธอบอกว่าอยากกินขนมปังที่ทําจากทองคําดูสิถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่รู้บางที ถ้าฝันของเธอเป็นจริงล่ะก็แบบนั้นมันยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่เหรออย่าไปใส่ใจเลยจ้าฉันคิดว่าเธอคงเข้าใจเองแหละถ้าเธอโตกว่านี้เรามาพูดเรื่องอื่นกันดีกว่านะเมื่อเมลี่และเชลี่บอกลาเพื่อนของพวกเขาและจากมาพวกเขายิ้มให้กันแบบลับๆในคืนนั้นเมื่อแม่และลูกสาวเตรียมตัวจะเข้านอน แม่คะหนูอยากให้ฝันของหนูเป็นจริงจังเลยแม่รู้ไหมโอูนาซิซาวันต่อมาขณะที่นาซิซาและแม่เธออยู่ข้างนอกในสวนของพวกเขารถม้าสีทองที่งดงามได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขามันถูกประดับประดาด้วยอั ญ, ญมณีและเพชรมากมายดูน่าทึ่งยิ่งนะและเมื่อมันหยุดลงชายหนุ่มรูปงามได้ออกมาและมองไปที่นาซิซา เธอตะลึงในความหล่อของเขาเป็นอย่างมากแม่แม่ฝันของหนูกำลังจะเป็นจริงแล้วคะ่ะอะไรนะสวัสดีผมมาที่นี่เพื่อขอนาซิซาแต่งงานเตอคุณรู้จักชื่อของเธอได้อย่างไรแล้วคุณเป็นใครผมชื่อเทอเร์เรนส์เทวดาแห่งความโชคดี ลูกสาวของคุณช่างงดงามและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนี่ครับผมนำของขวัญมาให้ด้วยโอ้พระเจ้าฉันอยากจะแต่งงานแต่งงานกับคุณค่ะอะไรนะแต่ลูกยังไม่รู้จักเขาดีเลยนะลูกไปกับเขาไม่ได้โอ้แม่อย่าโ ง, ง่ไปหน่อยเลยเขาทั้งหลอ่อทั้งรวยหนูจะเอาอะไรอีกล่ะคะเทเรสคะฉันจะแต่งงานกับคุณค่ะและดังนั้นเธอจึงรีบขึ้นรถม้าไปกับเขา และไม่แม้แต่จะบอกลาแม่เธอด้วยซ้ำรถม้าได้ขับออกไปขณะที่พวกเขานั่งในรถมา้าทันใดนั้นประตูมิติได้เปิดออกพวกเขาท่องเที่ยวผ่านพายุที่รุนแรงรถม้าเริ่มสั่นสะเทือนนั่นทำให้นาซิซาตัวอย่างมากโอ้ที่รักไม่นะนี่มันอะไรกันนะ <laughs> ไม่ต้องกลัวนะที่รักเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไป และอย่างที่เขาบอกรถมาวิ่งผ่านมิติอื่นและก็ขับมาถึงปราสาททองคาขนาดใหญ่ที่แสนสง่างามนาซิซ า, าตกตะลึงกับความงามของมันเป็นอย่างมากว้าวมันสวยงามมากเลยค่ะฉันรู้นะว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยแบบนี้ผมรู้ว่าคุณจะชอบที่นี่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการที่นี่มีทั้งหมดให้คุณ ชุดที่งดงามอาหารแสนอร่อยทั้งหมดนี้มีในพระราชวังของผมว้าวอาหารที่เปล่งประกายฉันหิวมากเลยค่ะหลังจากนั่งรถมานานฉันขอกินอาหารตอนนี้เลยได้ไหมได้สิครับนี่เมลิเออเมลิซาเธอจะมอบทุกอย่างที่คุณต้องการให้คุณสวัสดีค่ะนาซิซฉันได้ยินหลายอย่างเกี่ยวกับคุณมากเลยแย่จริงๆเลยนะคะ คุณคงจะหิวแล้วสิมาสิไปที่โต๊ะอาหารกันฉันจะเตรียมอาหารให้คุณเองเอ้าขอบคุณนะพวกเขาเข้าไปที่ห้องอาหารที่นั่นมีโต้งงดงามพร้อมอาหารที่น่าประหลาดใจเกินกว่าที่นาซิซาเคยพบเห็นมา ก, ก่อนอาหารพวกนี้ดูสุดยอดไปเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าแยเนี่ทำมาจากรูบี้ส่วนสลัดนั่นก็ทามาจากมรกตและขนมปังที่อยู่ตรงนั้น ก็ทำมาจากทองคําขนมปังทองคาเอ้ามันสวยงามมากแยมนั่นต้องเข้ากันกับขนมปังอันนี้อย่างแน่นอนเธอทาแยมรูบี้บนขนมปังและกัดมันเข้าไปคาโตโอโอโอเอ้มันแข็งมากเลยฉันกินมันไม่ได้ก็ใช่แล้วล่ะคะ่ะเพราะมันทำจากทองคําอย่างดีเลยแต่ถ้าคุณกินมันไม่ได้แล้วก็ให้ฉันเอาขนมปังเงินมาให้แทนดีไหมล่ะคะ เงินเหรออ๋อทำไมคุณไม่กินอย่างอื่นดีกว่าละ่ะแต่ฉันต้องการแค่ขนมปังธรรมดาที่มันกินได้คุณพอมีไหมไม่มีค่ะคนที่จะมาเป็นภรรยาของนายท่านจะต้องกินแต่ทองคำเท่านั้นคุณต้องกินแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะนาซิซ่ามองไปที่อาหารทั้งหมดแต่ก็ต้องใจสลายเพราะไม่มีอะไรที่กินได้เลยเธอเริ่มร้องไห้ออกมา ลอยฉันไปฉันไม่อยากได้แบบนี้แต่อาหารนี้มันดีมากเลยนะคะลองดูมันฝรั่งทองคํานี่สิพวกมันอร่อยมากเลยนะรู้ไหมแล้วหลังจากที่คุณแต่งงานกับผมคุณจะต้องกินอาหารพวกนี้ผมว่าคุณคงชอบเรื่องแฟนตาซีนะไม่นะไม่ฉันไม่อยากแต่งงานกับคุณแล้วฉันอยากกลับบ้านกลับไปหาแม่ของฉันพาฉันกลับบ้าน เมลิซาและเทเรนซ์มองหน้ากันและขยิบตาถ้างั้นถ้าคุณต้องการแบบนั้นผมก็จะพาคุณกลับบ้านเทเรนซ์ ence, พานาซิซาที่ไม่มีความสุขกลับบ้านเมื่ออยู่ในรถมาถ้าเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเลือกทํำลงไปเมื่อเธอกลับถึงบ้านาเธอรีบวิ่งเข้าไปกอดแม่ของเธอที่กําลังนั่งเศร้าใจอยู่ในบ้าน หนูกลับมาแล้วนาซิซอรโอ้ลูกรักไม่คิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วอมแม่คะหนูรักแม่นะแม่พูดถูกแล้วหน้าตาและความร่ำรวยไม่ใช่ทุกอย่างขนมปังทองคําก็ไรประโยชน์ถ้าหนูไม่สามารถกินมันได้และผู้ชายถึงจะหล่อแค่ไหนเขาก็ไม่ได้สนใจหนูเลยแต่ลูกรักลูกรู้ไหมว่านั่นคือสิ่งที่ลูกเคยทํากับคนอื่นเขา หนูรู้แล้วค่ะหนูขอโทษนะคะในสิ่งที่หนูทำลงไปโอ้ไม่เป็นไรจ้ะลูกรักลูกรู้ตัวว่าผิดก็ดีแล้วมาเถอะแม่จะทำอาหารอร่อยๆให้กินนะจากวันนั้นนาซีซ่าก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในตอนแรกเธอพยายามมันอย่างช้าๆและอดทนจนในที่สุดเธอก็กลายเป็นคนดีมากขึ้นวันหนึ่งเมลลี่และเทลลี่มาเยี่ยมแมรี่แอ น, นอีกครั้ง สวัสดีทั้งสองคนไหนบอกเรามาสิแมรี่แอนนาซิซาเป็นยังไงบ้างแมรี่แอนบอกพวกเขาทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยล่ะจากตอนนั้นจริงอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันดาวว่าเธอคงไม่อยากกินขนมปังทองคำแล้วสินะตอนนี้ใช่ไหมล่ะนายดูด้วยเหรอเธอรี่สมมว่าไปหน้านายก็เหมือนเทวดาคนนั้นเลยนะ ดูว่านายคือเขาพวกนายสองคมใจดีจริงๆเลยนะ